เจริญพนท่านสาธุชนพุทธบริศาสตร์อุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรม ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบเเป็นวันพระวันธรรมสวนะัสวันฟังธรรม วันบำเพ็ญบุญบารมีดังที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำนในวันนี้เป็นการมาเติมน้ำมันให้กับรถยนต์คือชีวิตของเราน้ำมันของชีวิตของพวกเราก็คือบุญบารมีนี่เองการที่เรามาเกิดเรามีความแตกต่างกันมีสูงมีต่ำมีสวยบ้างไม่สวยบ้าง มีรวยบ้างไม่รวยบ้างมีฉลาดบ้างไม่ฉลาดบ้างมีดีบ้างไม่ดีบ้างเกิดจากบุญบรารมีที่เราบำเพ็ญมาในอดีตนั่นเองไม่ได้เกิดจากอะไรเลยอย่าไปโทษใครถ้าเราไม่ดีอย่าไปโทษผูโทษตัวเราเองถ้าเราไม่รวยก็โทษตัวเราเองถ้าเราไม่ฉลาดก็โทษตัวเราเองเพราะ ในอดีตเราขี้เกียจเราไม่ขยันที่จะสะสมบุญบารมีกันเหมือนขับรถแล้วไม่แวะเติมน้ำมันพอขับไปได้ไม่ไกลน้ำมันก็หมดการทางก็ต้องเดินไปชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับการเดินทางเป้าหมายของชีวิตของเราก็คือความสุขความเจริญความอยู่ห่างไกลจากทุกภยัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวงการที่เราจะไปถึงเป้าหมายของเราได้เราต้องหมั่นเติมน้มํามันให้กับชีวิตเติมบุญบารมีให้กับชีวิตถ้าเราไม่เติมเราก็จะเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้หรือเป็นแย่กว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ก็ได้เราสังเกตดูมองไปรอบๆด้านตัวเราเอง เราจะเห็นว่ามีคนที่เขาสูงกว่าเราดีกว่าเราและมีคนที่เขาต่ำกว่าเราแย่กว่าเราเราจะเลือกไปทงไหนก็ไปได้ถ้าเราอยากจะแย่ลงไปต่ำลงไปเราก็ไม่ต้องไปบำเพ็ญบุญบารมีกินบุญก่าให้หมดหมดแล้วพอไปเกิดชาติหน้าต่อไปก็จะตกต่ำจะแย่กว่าที่เป็นอยู่ แต่ถ้าเราเห็นว่าการบำเพ็ญบุญบารมีนี้จะทำให้เราดีขึ้นดีกว่าเก่าให้เป็นเหมือนกับคนที่เขาดีกับเราในขณะนี้เช่นคนที่เข้ารวยกับเราฉล า, าดกัเราดีกว่าเราเราก็จะเป็นอย่างเขาได้ทุกอย่างไม่มีใครมาถือจดลิขสิทธ ห้ามไม่ให้ผู้อื่น บ, บุญบำเพ็ญบุญบารมีได้บุญบา ร, รมีนี้เป็นของของสมบัติกลางไม่ได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นของพระอริยสงสาวกเป็นของทุกทุกคนที่มีความตั้งใจมีความขยันที่จะบำเพ็ญบุญบา ร, รมีกัน อย่างพวกเรานี่ก็ถือว่าโชคดีที่เรามีจิตใจไฝ่บุญไฝ่กุศลเท่ากับเป็นการไฝ่การเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆขับรถไปพอเห็นสถานีบริการเห็นปั๊มน้ํามันก็รีบแวะเติมเลยน้ํามันจะเต็มถังหรือไม่เต็มถังก็แวะเข้าไปก่อนเสียเวลานิดเดียวดีกว่าไปตายกลาง การทางแล้วจะไปไม่ถึงไหนการทำบุญก็ต้องมีการเสียบ้างเป็นธรรมดาเช่นวันนี้ญาติโยมมาบำเพ็ญทานบารมีคือการให้ทานบารมีนี้ก็ต้องเสียกันเป็นธรรมดาต้องเสียเงินทองเพื่อไปซื้อข้าวของมาถวายพระหรือเอาเงินทองมาบริจาค เพื่อค่าใช้ใจ่ายต่างๆในวัดเสียเวลาแทนที่จะได้นอนหลับตื่นสายก็ต้องตื่นมาแต่เช้าเมื่อคืนนี้แทนที่จะได้เที่ยวได้นอนดึกก็ต้องนอนหัวเข่าเพราะถ้านะานอนดึกก็จะตื่นมาวัดไม่ได้ก็ต้องเป็นต้องเสียเวลาเสียประโยชน์สุขส่วนตรงแต่มันเป็นประโยชน์สุขส่วนน้อย เมื่อเพียบกับประโยชน์สุขที่เราจะได้นี้เป็นประโยชน์สุขส่วนใหญ่กว่าเพราะต่อไปข้างหน้าเราจะได้ไม่ลำบากในเรื่องปัจจัยสี่ไปเกิดข้างหน้าก็จะมีสมบัติข้าของเงินทองรอเราอยู่เราจะรวยกักะับอย่างแน่นอนเพราะบุญบารมีนี้คือทานนี้ทานบารมีนี้ จะเป็นผู้ที่ให้ให้ผลกับเราเหมือนกับการปลูกข้าวเราปลูกข้าวและใช้ข้าวข้าวสารข้าวเปลือกไม่กี่มเมล็ดแต่เวลาต้นข้าวโตวขึ้นมาออกดอกออกรวงข้าวแล้วจะได้ข้าวมากกว่าที่ระหวังไปเป็นหลายสิบหลายร้อยเท่าด้วยกัน ชั้นใดทานบาลาีที่เราบำเพ็ญกันในวันนี้ก็เป็นเหนืออข้าวเปลือกที่เราหวานไปในในานานั่นเองรอเวลาไม่กี่เดือนข้าวที่เราหวานก็จะเจริญงอกางามขึ้นมาออกดอกออกรวงข้าวให้กับเราเป็นจํานวนมากแต่ถ้าเราเสียดายข้าวเปลือกที่เราจะหวานนี้ เอาเก็บเราเก็บไว้เอาไปขายหรือเอาไปกินเอาไปขายไปเอาเงินมาเพื่อจะได้ไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเราก็จะไม่ได้รวงข้าวต้นข้าวที่จะเจริญเติบโตขึ้นในอนาคตเพราะเราไม่ได้ปลูกข้าวไว้นั่นเองฉันใด ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่ราเราอยู่ข้างหน้านั้นก็อยู่ที่การบำเพ็ญทานบา ร, รมีของเรานี้เองดังที่พระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวชสัดนดรก็ได้บำเพ็ญทานบา ร, รมีอย่างแก่กล้ามีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงอะไรก็ไม่หวงแหนไม่เสียดายไว้ให้จนหมด จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจของท่านมีความสุขใจมีความพอใจคนเราถ้ามีความพอสักอย่างแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมากเพียงแต่มีดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ได้ไปวั น, ว, นวันหนึ่งก็พอแล้วพวกสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่สามารถ ให้ความสุขให้ความอิ่มใจได้เหมือนกับการให้ทานให้แจกจ่ายข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่นเพราะเมื่อเราแจกจ่ายไปแล้วเท่ากับเป็นการให้อาหารกับใจของเรานั่นเองเมื่อเราได้เมื่อใจได้รับอาหารใจก็จะอิ่มเอิบมีความสุขมีความพอไม่มีความหิวอยากจะได้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่จึงไม่จำเป็นต้องมีเงินทองมากไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของต่างๆมากไม่เหมือนกับพวกเราที่ทำบุญให้ทานน้อยเราเอาเงินทองไปซื้อความสุขกันเสียมากกว่าไปเที่ยวกันไปดื่มกันไปสนุกสนานเฮฮากันแล้ว ปล่อยให้ใจของเรานั้นอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเพราะการเที่ยวการทำอะไรตามความอยากของเรานี้ไม่ได้เป็นการให้อาหารกับใจถึงใจของเราจึงมีแต่ความหิวมีแต่ความกระหายไปเที่ยวมามากน้อยเพียงไรได้ไปซื้อข้าวของมามากน้อยเพียงไรก็ตามใจก็ยังอยากจะไปเที่ยวอีกยังอยากจะได้ข้าวของใหม่ๆอีก เพราะเราไม่รู้จักการดูแลใจนั่นเองไม่รู้จักเลี้ยงดูใจเราไปเลี้ยงดูพยาธในใจพยาธในใจคืออะไรก็ความอยากต่างๆนี่เองความอยากความโลภนี้เป็นเหมือนพยาธในใจเราก็รู้อยู่ว่าเวลาเรามีพยาธในท้องเป็นอย่างไรกินข้าวไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีเพราะพยาธมันเอาไปกินหมดฉันใด เราไปเที่ยวเราไปซื้อข้าวของต่างๆทำอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำกันทำกันมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้ใจของเรามีความอิ่มมีความพอมีความสุขเลยก็เพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงใจของเราเราเลี้ยงพยาธในใจของเราเลี้ยงกิเลสตัณหานี่เองดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังเวลาที่เราใช้เงินใช้ทอง เราต้องรู้จักใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ประโยชน์ส่วนหนึ่งที่เราจะได้จากการใช้เงินใช้ทองก็คือการใช้เพื่อดูแลรักษาร่างกายของเราซื้อเสื้อผ้าถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าพอใส่ก็ซื้อเสื้อผ้ามาใส่ซื้ออาหารมารับประทานซื้ อ, อยามารักษาโรคซื้อบ้านมาอยู่นี่เป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ แต่จะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมากมายจนเกินความจำเป็นหรือแพงจนเกินความจำเป็นบ้านธรรมดาพอหลบแดดหลบฝนได้ก็ใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นปราสาทราชวังเสื้อผ้าก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นชุดละหมื่นชุดละแสนใส่เสื้อผ้าธรรมดาก็ได้อาหารก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นมื้อละหมื่นมื้อละแสน กินไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันกินอาหารมื้อละร้อยกับกินอาหารมื้อละพันกินไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันแต่ผลแตกต่างกันคือต้องเสียงเงินมากกว่ากันคนที่เสียงเงินมากก็ต้องหาเงินมามากก็ต้องเหนื่อยมากแลหามาและบางทีก็ต้องหามาโดยวิธีที่ไม่สุดจริตต้องทําผิดศีลผิดธรรมก็เลยไม่ได้บําเพ็ญศีลบารมี ทำให้จิตใจตกต่ำจากความเป็นมนุษย์ก็จะต่ำลงไปเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเพราะการกระทําผิดศีลดังนั้นเราต้องรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์ในเบื้องต้นก็ใช้ให้ประโยชน์กับร่างกายเพราะเราต้องดูแลรักษาร่างกายเราต้องอาศัยร่างกายนี้มาสร้างบุญบารมี เมื่อร่างกายเราดูแลเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็ดูแลจิตใจของเราถ้าเรามีเงินเหลือเราก็เอามาให้ทานมาบำเพ็ญทานบา ร, รมีจะให้กับใครก็ได้ถ้าเราเห็นว่าจะเกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมหรือเกิดประโยชน์สุขกับบุคคลที่เราให้ แต่ถ้าเราเลือกคนหน่อยก็จะดีเพราะคนนี้มีหลายประเภทด้วยกันคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีถ้าเราให้คนไม่ดีเราก็จะส่งเสริมให้คนไม่ดีไปทำความไม่ดีต่อไปเช่นคนที่ชอบเล่นการพนันชอบเสพสุรายาเมาถ้าเราให้เงินเขาไปเขาก็จะเอาเงินไปใช้ในทางที่เกิดโทษกับตัวเขาเอง และเกิดโทษกับผู้อื่นตามมาด้วยแต่ถ้าเราให้กับคนดีคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมเช่นพวกอาสาสมัครต่างๆร่วมกับกยูมูลนิธิต่างๆที่เขาทำประโยชน์ให้กับสาธารณชนไปเก็บศพไปส่งคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลไปทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมถ้าเราให้เขา ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เขาได้ทำความดีมากยิ่งขึ้นไปดังนั้นจะว่าทานคือการให้นี้ไม่จำเป็นจะต้องเลือกก็ไม่ถูกเลือกได้ก็ดีแต่ก็มีอยู่ในระดับหนึ่งที่เราก็ไม่ควรเลือกถ้าเป็นระดับของความความจำเป็นเช่นถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย จะดีหรือจะช่วยอย่างไรเราก็ควรที่จะช่วยรักษาเขาไปคนที่โอดอยากขาดแคลนไม่มีอาหารรับประทานจะดีจะช่วยอย่างไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันไปช่วยตามหลักมนุษยธรรมตามหลักของความเมตตากรุณาเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากก็อย่าทำใจให้ เป็นใจที่แห้งแรงใจที่คับแคบอย่าไปเสียดายเงินทองเพราะถ้าเราให้แล้วเราจะได้มากกว่าที่เราเสียไปเราจะมีความสุขในปัจจุบันจะมีความเมตตากรุณาและเมื่อเราไปข้างหน้าเราก็จะมีทรัพย์ที่เราได้บริจาคได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อืนนี้รอเราอยู่ทำให้เราเกิด ดีกว่าเก่ารวยกว่าเก่านี่คือเรื่องของทานบารมีของศีลบารมีของเมตตาบารมีเป็นสิ่งที่เราควรที่จะเจริญอยู่เรื่อยๆเมื่อมีโอกาสนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังต้องการความฉลาดความฉลาดก็คือปัญญาบารมีก็เราสังเกตดูทําไมเราถึงมีการศึกษาไม่เท่ากัน บางคนก็จบปริญญาเอกบางคนแค่จบแค่ป .4 บางคนก็ไม่เรียนเลยเพราะไม่มีปัญญาพอที่จะเรียนนั่นเองเรียนไม่รู้เรื่องก็เลยไม่อยากเรียนเมื่อไม่เรียนก็ยิ่งโง่ใหญ่แทนที่จะฉลาดขึ้นก็ไม่ฉลาดแต่ถ้าคิดว่าเราตอนนี้โง่อยู่เราไม่ฉลาดพอเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมเราก็ต้องพยายามต้องมีความตั้งใจ ความตั้งใจนี้ก็เรียกว่าอธิษฐานบา ร, รมีเราต้องตั้งใจว่าเราจะต้องยกระดับความรู้ของเราให้สูงขึ้นเราจบป .6 แล้วเราต้องพยายามเรียนต่อไปให้จบม .3 ให้ได้ให้จบม .6 ให้ได้นี่คือความตั้งใจถ้าเราไม่มีความตั้งใจเราก็จะไม่รู้จะทำอะไรอยู่ไปวันวันหนึ่งแบบไม่มีเป้าหมายเตยขึ้นมาก็ปล่อยให้อารมณ์พาไป อารมณ์อยากจะชวนให้ไปดื่มสุราก็ไปอยากจะชวนให้ไปเล่นการพนันก็ไปถ้าปล่อยให้ชีวิตไปแบบนี้ก็เป็นเหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือนั่นเองหรือรถที่ไม่มีพวงมาลัยวิ่งไปแล้วจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีได้ถ้าเราต้องการไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระ อ, อริยสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่านได้ไปถึงกันเราต้องมีอธิษฐานบารมีคือเราต้องมีความตั้งใจเราต้องตั้งเป้าต้องมีความมุ่งมั่นว่าเราอยากจะไปที่ไหนเราอยากจะทำอะไรเมื่อเรามีมีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องมีสัจจะบารมีคือความจริงใจคือใจของเราต้องแน่วแน่แต่อสิ่งที่เราตั้งใจไว้ อย่าทำเป็นคนใจหลอกแหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตั้งใจจะทำอย่างนี้ทำได้วันสองวันพอรู้สึกว่ามันยากมันลำบากหน่อยก็ไม่ทำแล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะบารมีเมื่อเราตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วเราต้องมีสัจจะบารมีควบคู่ไปด้วยเราจึงจะสามารถทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้เช่นพระพุทธเจ้าตอนที่ นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพก่อนที่จะตัดสรุปพระองค์ก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานบา ร, รมีไว้ว่าจะนั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นโพนี้ไปจนกว่าจะบรรลุเป็นท พ, พุทธเจ้าจนกว่าจะเอาชนะความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในจิตในใจได้เอาชนะความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ ถ้ายัางไม่ชนะยังไม่บรรลุยังไม่ตัดสรูก็ขอตายอยู่กับการภาวนานั้นจะไม่ลุกจากที่นั่งนั้นอย่างเด็ดขาดนี่คือคำตั้งใจของพระพุทธเจ้าและสัจจะที่ได้ทรงตั้งไว้ที่เป็นเหตุที่ทำให้พระองค์ได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะถ้าเรานั่งไปภาวนาไปแล้วเราจะเจอกับความทุกข์เจ็บปวดในร่างกายมาก ถ้าเราไม่มีสัจจะอธิษฐานไม่มีขันติบารมีไม่มีวิริยะบารมีความภาคเพียรอดทนแล้วรับรองได้ว่าเราจะทนนั่งต่อไปไม่ได้นั่งไปได้10นาที15นาทีเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วต้องลุกต้องเปลี่ยนวิริยาบุก็เลยไม่สามารถเอาชนะความอยากได้ความอยากที่จะหนีจากความทุกข์นี่เอง ความทุกนี้โดยความจริงแล้วใจของเราสามารถรับมันได้สู้มันได้จนจนกว่ามันจะหายไปได้แต่ใจของเราไม่กล้าใจของเรามีกิเลสคือความอยากอยากจะหนีจากความเจ็บปวดนี้ไปเมื่อเกิดความอยากนี้แล้วเราไม่สามารถสู้กับความอยากนี้ได้เราก็ต้องลุกจากที่นั่งไป การภาวนาของเราก็ล้มเหลวไปเหมือนกับการเดินทางออกจากบ้านพอจะเลี้ยวเลี้ยวเข้าถนนใหญ่เห็นรถติดยาวเหยียดก็ถอยกลับบ้านดีกว่ากลับมานอนที่บ้านก็เลยไม่ได้ไปไหนถึงแม้จะมีความสุขเล็กๆน้อยๆจากการที่ได้หลับนอนที่บ้านแต่ก็ไม่ได้ไปที่ที่จุดหมายปลายทางที่ดีที่เราต้องการไปกันแต่ถ้าเรามีสัจจะ มีอธิษฐานบารมีมีขันติบารมีมีวิริยะบารมีแล้วเราจะสามารถทําสิ่งต่างๆที่เราปรารถนากันได้ดังสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นความพยายามนี้ก็คือวิริยะบารมีขันติบารมีที่จะผลักดัน อธิษฐานสัจจะบารมีให้ให้เกิดผลขึ้นมาแต่ในเบื้องต้นเราต้องมีอธิษฐานสัจจะบารมีก่อนเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการจะไปไหนเราต้องการจะทำอะไรการอธิการตั้งจิตอธิษฐานนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ตั้งที่ผลให้ตั้งที่เหตุพวกเราส่วนใหญ่ไปคิดว่าเราตั้งที่ผลกัน เช่นเราทำบุญเราก็อธิษฐานจิตขอให้ได้รำ่ำให้รวยให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เราต้องการกันสิ่งที่เราต้องการกันนั้นมันเป็นผลที่จะตามมาจากเหตุเหตุที่จะทํามาให้เกิดขึ้นนี้ถ้าเราไม่ทํามันมันก็ไม่เกิดเหมือนกับโรงข้าวถ้าเราไม่หว่านข้าวไม่ปลูกข้าวเราก็จะไม่มีทางที่จะได้โรงข้าว ดังนั้นเวลาที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานให้เราตั้งอยู่ที่การกระทาซึ่งเป็นเหตุเช่นเราอยากจะดีกว่าเกา่าเจริญกว่าเก่ามีความทุกข์น้อยกว่าเกา่าเราก็ต้องตั้งอธิษฐานอยู่ที่การประพฤติของเราเราจะต้องทำความดีมากกว่าเกา่าเราจะต้องลดความชั่วลบการกระทำบาปให้น้อยลงไปเราต้องกาจัดความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไป นี่คือที่เราจะต้องตั้งอธิษฐานกันตั้งที่เหตุตั้งที่การกระทำอย่าไปตั้งที่ผลเพราะตั้งที่ผลแล้วจะทำให้เราองอมืองอเท้าเราจะไม่ทำอะไรเห็นพระเราก็กราบจุดธูปเทียนสามดอกกราบพระอาจจะถวายเงินสักเล็กน้อยพอเป็นพิธีแล้วก็หวังว่าจะได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาขอไปจนอีกร้อยชาติพันชาติก็ไม่ได้อะไร เพราะไม่ได้สร้างเหตุที่จะทำให้ได้ผลที่เราต้องการนั่นเองดังนั้นเราต้องอธิษฐานที่เหตุที่เหตุก็คือการกระทาของเราเช่นตั้งสัจจะว่าต่อไปนี้เกิดมาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันตาและถึงชาติต่อๆไปถ้าเรายังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานยังไม่ได้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เราจะขอบำเพ็ญบารมีทั้งสิประการนี้ไว้ตลอดเวลาทุกเวลาทุกโอกาสที่เรามีเวลาจะขอบำเพ็ญบารมีทั้งสิบนี้ขอให้ถือขอถือว่าเป็นงานหลักเป็นหน้าที่ที่แท้จริงส่วนการทำมาหากินหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี้ถือว่าเป็นหน้าที่รองลงมาเป็นการสนับสนุนหน้าที่หลักก็คือการ บำเพ็ญบารมีซึ่งมีอยู่1ิประการด้วยกันคือ 1. ทานบารมีคือการให้ 2. สองศีลบารมีคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายและทางวาจา 3. เนคขมมะ บ, บารมีคือการการปล่อยวางการลดละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้หันเข้ามาหาความสุขทาง ความสงบของจิตใจด้วยการถือศีงแปดอยู่วัดในวันพระและวันต่อๆไปทำได้มากเท่าไหร่ในคำ ม, ม, มัคบารมีก็จะแก่กล้ามากขึ้นไปเท่านั้นแล้วก็ให้บำเพ็ญแล้วก็ให้บำเพ็ญอธิษฐานบา ร, รมีขอให้ตั้งใจอยื่เรื่อยตั้งใจจะทําทความดีตั้งใจจะละบาตั้งใจจะบำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆ แล้วก็ให้มีสัจจะบารมีตั้งใจไว้แล้วก็ต้องทำให้ได้เช่นวันนี้ตั้งใจจะมาวัดก็ต้องมาให้ได้ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหรืออะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถ้าไม่เป็นเหตุสุดวิสัยก็ต้องมาให้ได้ถึงจะมีสัจจะบารมีขึ้นมาแล้วก็ต้องขยันมาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องมา มาแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้ได้นอกจากการทำทานแล้วก็รักษาศีลกันนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันอย่างนี้เรียกว่ามีวิริยะบาลมีและเมื่อเกิดความเจ็บความปวดความยากลำบากก็ต้องอดทนไม่ยอมแพ้เรียกเรียกว่ามีขันติบาลมี แล้วก็ต้องบำเพ็ญเมตตาบารมีดังที่ได้กล่าวไว้ให้มีจิตใจที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีไมตรีจิตต่อทุกๆคนและทั้งคนและสัตว์พอที่จะดูแลกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปให้มีความปรารถนาดีต่อกันอย่าคิดร้ายต่อกันอย่าอาฆาตพยาบาทจองเวรกรรม ให้รู้จักให้อภัยนี่เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญเมตตาบารมีปัญญาบารมีก็คือการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาไปคิดค่ายครวนอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้ฉลาดขึ้นทำให้มีความรู้มากขึ้นเป็นคนที่จะสามารถดูแลรักษาตนเองได้ช่วยเหลือตนเองได้ แะบารมีอันสุดท้ายเรียกว่าอุเบกขาบารมีคือการฝึกทําใจให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางนิ่งเฉยอย่าให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี้มาทําให้จิตใจของเราปั่นป่วนวุ่นวายเศร้าโศกเสียใจเราพยายามบําเพ็ญด้วยการทําจิตให้เป็นสมาธิ พุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆมีเวลาว่างก็ทำพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดอะไรอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรทำให้จิตใจหนักแน่นถ้าจิตใจสงบเป็นสมาธิแล้วต่อไปเวลามีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจะไม่ทําให้ใจกระเพื่อมจะไม่ทําให้ใจปั่นป่วนวุ่นวายจะไม่ไม่ทใจให้ว้าวุ่นขุ่นมัว เพราะเรามีอุเบกขาบารมีไว้คอยดูแลรักษาใจนี้เองนี่คือบารมีทั้งสิบประการที่เราควรจะตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ถ้าเรา ต, ตั้งได้แล้วรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เลยาอาจจะเป็นชาตินี้ก็ได้เราก็จะได้พบกับผลที่เราปรารถนากันเราได้ตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าและพระอางันตสาว ก, กัน จึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญบุญบา ร, รมีทั้งสิบประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไป พ, พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์